สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ขอพระเจ้าอวยพ ร, พ, รพี่น้องในการเดินทางไปทํางานก็ดีหรืองานใหม่ก็ดีส่วนผมนั้นขอบคุณพระเจ้าผมกําลังเดินทางไปที่เชียงใหม่ครับขอพระเจ้าทรงนําพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้พระชนะของพระเจ้านั้นก็อยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่11นะครับซึ่ง เป็นซีรีส์ของชีวิตพระเยซูตอนที่542เรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่47พระเจ้าของพระเจ้าฮีบรูบทที่11ข้อที่30ฮีบรูบทที่11ข้อที่30ผมยานจนถึงข้อที่38โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าโดยความเชื่อเมื่อพวกอิสราเอลล้อมกำแพงเมืองเยริโคไว้ถึงเจ็ดวันแล้วกำแพงเมืองก็พังลง โดยความเชื่อราหับหญิงแพทย์ยาจึงมิได้พินาศไปพร้อมกับคนเหล่านั้นที่มิได้เชื่อเมื่อนางได้ต้อนรับคนสอดแนมไว้เป็นอย่างดีข้อที่สามสิบสองและข้าพเจ้าจะกล่าวอะไรต่อไปอีกเล่าเพราะไม่มีเวลาพอที่จะกล่าวถึงกีเดโอนบารากแซมสันเยฟทาดาวิดและซามูเอลและผู้ผเผยพระเจนาทั้งหลายเพราะความเชื่อ ท่านเหล่านั้นจึงได้มีชัยเหนือดินแดนต่างๆได้ตั้งระบบความยุติธรรมได้รับผลของพระสัญญาได้ปิดปากสิงห์ได้ดับไฟที่ไหม้อย่างรุนแรงได้พ้นจากคมดาบความอ่อนแอของท่านก็กลับเป็นความเข้มแข็งมีกําลังความสามารถในการทําสงครามได้ตีกองทัพประเทศอื่นๆแตกพ่ายไปพวกผู้หญิงก็ได้รับคนของนางที่กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกบางคนก็ถูกทรมาน แต่ไม่ยอมรับการปลดปล่อยเพื่อเขาจะได้กลับมามีชีวิตที่ดีกว่านั้นอีกบางคนต้องทนต่อคำเยาะเย้ยและการถูกโบยตีและยังถูกล่ามโซ่และยังถูกขังคุกด้วยบางคนก็ถูกคว้างด้วยก้อนหินบางคนก็ถูกเลื่อยเป็นท่อนๆบางคนก็ถูกฆ่าด้วยคมดาบบางคนก็นุ่งห่มหนังแกะหนังแพะไผเนจรไปสิ้นเนื้อประดาดตัวตกละกรมลําบากและถูกเขี้ยวเข็นแผ่นดินโลกไม่สมกับคนเช่นนั้นเลย เขาพเนจรไปในถิ่นทุรกันดารและตามภูเขาและอยู่ตามถ้ำและตามโพรงพี่น้องครับในข้อสามสิบสามสิบเอ็ดนั้นก็ได้พูดถึงความเชื่อของพวกอิสราเอลหลังจากที่ข้ามแม่น้ำจอแดนไปกำแพงเมืองของอิสราเอลของเยริโครครับก็พังลงครับและโดยความเชื่อลาหับหญิงแพทยสยาก็มีได้พินาศไปพร้อมกับคนเหล่านั้นที่มิได้เชื่อ เมืองา น, นางได้ต้อนรับคนสอดแนมไว้อย่างสันตินี่เป็นภาพประกอบที่น่าสนใจและสวยงามมากขณะที่กำแพงเมืองเยเรโครพังลงหลังจากนั้นนะครับรหบหญิงโสเภณีผู้มีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีก็ได้รับการช่วยให้พ้นและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวงวานของพระเยซูในที่สุดการที่นางถูกทำให้เป็นคนชอบธรรมได้ถูกชาระให้บริสุทธิ์ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้า ก็เป็นมาโดยความเชื่อของนางเองดล้วนคือการที่นางเชื่อคำํำสั่ของพระเจ้านั่นเองครับพี่น้องนางราหบนั้นไว้วางใจในพระเจ้านางราหบได้ยินกิตติศัพท์ของพระเจ้าและนางก็รู้ว่านี่คือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดนี่คือพระเจ้าของฟ้าสวรรค์นี่คือพระเจ้าของแผ่นดินโลกเพราะฉะนั้นพระของเยริโคนั้นหรือกำํกำกําลัง ทหารของเยริโคซึ่งเป็นเมืองที่โบราณเก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับณเวลานี้ที่มีการขุดค้นทางโบราณคดีเยริค er นั้นเป็นเมืองที่มีป้อมปราการมีกำแพงเมืองนะครับอย่างดีแต่ราหับหญิงแพศยานั้นก็ได้เป็นไปตามความเชื่อโดยมีความเชื่อนั่นเองนางได้เชื่อคำสัตย์ของพระเจ้าไว้ใจในพระเจ้าผู้ทรงสัญญาว่าจะประทานชัยชนะ ให้กับพวกอิสราเอลเป็นภาพแห่งความรอดนะครับที่สวยงามมากพระเจ้ายอมรับคนบาปต่ําช้าที่สุดอย่างนางราหบและช่วยคนบาปเหล่านั้นให้รอดเมื่อพวกเขาหันกลับมาหาพระองค์และไว้วางใจในพระองค์ด้วยความเชื่อพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่านางราหบนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีนางนั้นเป็นหญิงที่ไม่ดีนะครับก็ ค, คือเป็นหญิงแพศยาก็เป็นคนที่ขายตัวนะครับเพราะฉะนั้นแต่ แต่หากว่าเขามีความเชื่อพระเจ้าก็เปิดลับครับไม่ว่าคนเรานั้นจะมีความบาปมากขนาดไหนด้วยความเชื่อความศรัทธานในพระเจ้าเขาจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เขาจะเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่ออันนี้เป็นบทเรียนแรกในเช้าวันนี้นะครับบทเรียนที่สองนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของชีวิตของกิเดโอนบารักแคมสันเยฟทาดาวิดและซาเหมอและศาสดาพยากรทั้งหลายครับพี่น้อง ถ้าเรามีเวลานะครับเราลองไปศึกษาดูชีวิตของคนเหล่านี้นะบางทีฉบับเต็มก็จะมีฟุตโนตครับนะจะมีฟุตโนตแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆของบรรดาผู้เผยพจนะหรือผู้วินิจฉัยนะครับอย่างในกรณีของกีเดโอนนะครับบารักแซมซันเยฟทาสี่ท่านนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมผู้วินิจฉัย นะครับผู้นิจไฉถ้าพี่น้องลองกลับไปดูนะครับพี่น้องก็จะเห็นว่าผู้นิจไฉในหลายตอนนะครับหลายๆบทก็พูดถึงคนเหล่านี้ครับหลังจากนั้นก็จะมีดาวิดนะครับดาวิดก็เป็นกษัต ร, ร, ริย์ซามอเอลก็เป็นผู้พยากรณ์นะครับเป็นศาสตาพยากรณ์คนเหล่านี้ครับเป็นผู้ที่ชี้ให้เราเห็นบทเรียนว่าพระเจ้าได้ช่วยเขาให้ผล ให้พ้นจากเงื้อมมือของคนที่ไม่ดีให้พ้นจากเงื้อมมือของกับดักให้พ้นจากการล่อลวงต่างๆนะครับในที่สุดพระเจ้าก็ประทานชัยชนะให้กับเขาเพราะเหตุที่เขามีความเชื่อมีความศรัทธาในพระเจ้าพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าความเชื่อความศรัทธานั้นต้องแสดงออกด้วยการเชื่อฟังครับความเชื่อความศรัทธาของคนเรานั้นจะต้องแสดงออกด้วยความเชื่อฟัง นี่เป็นบทเรียนที่สองในเช้าวันนี้บทเรียนที่สามนะครับอยู่ในข้อที่สามสิบสามครับโดยความเชื่อท่านเหล่านั้นจึงมีชัยเหนืออนาจาต่างๆได้กระทำการชอบธรรมได้รับพระสัญญาได้ปิดปากสิงโตได้ดับไฟที่ไหม้อย่างรุนแรงได้พ้นจากคมดาบความอ่อนแอของท่านก็กลับเป็นความเข้มแข็งมีกำลังความสามารถนะครับในการทาสงคราม ข้าเขียนชัดเจนนะครับความอ่อนแอก็กลับเป็นความเข้มแข็งและมีความสามารถในการทำสงครามก็สามารถที่จะเอาชัยชนะไปกองทัพประเทศอื่นๆแตกพ่ายไปได้พี่น้องครับคนเหล่านี้นะครับโดยความเชื่อเขามีชัยชนะเหนืออนะาณาจักรต่างๆได้กระทำการชอบธรรมได้รับสัญญาได้ปิดปากสิงนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของยาเนียลนะครับ ปิดปากถึงโตชัยชนะของคนในสมัยพระอมภีเดิมนั้นทั้งฝ่ายวิญญาณก็ตามก็ดีหรือฝ่ายร่างกายก็ดีเกิดขึ้นได้ครับเพราะคนของพระเจ้านั้นเชื่อพระดำรับหรือคำสัตั์ของพระองค์ไฟที่ไหม้อย่างรุนแรงในข้อสามสิบสี่นะครับก็หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชัดรักเมชารกและแอร์เบตเนโกซึ่งเป็นเพื่อนของดาเนียลปรากฏอยู่ในพระธรรมดาเนียลบทที่สามนะครับ การตีกองทัพประเทศอื่นๆแตกพ่ายไปนะครับก็รีเฟอร์หรืออ้างอิงถึงยูดาสยูดาสแมคเบียสนะครับซึ่งชื่อคนนี้ไม่ได้มีอยู่ในพระคัมภีร์แต่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ของชาวยิวครับนะแม้ว่าประวัติศาสตร์ของชาวยิวนั้นไม่ได้รับการดนใจไม่ได้กลายเป็นพระคัมภีร์แต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับหมายความถึงชัยชนะที่พระเจ้าทรงประทานให้นะครับ หรืออาจจะหมายถึงเยโอชาฟัดนะครับซึ่งทําสงครามและได้ชัยชนะพี่น้องครับคนเหล่านี้ครับเป็นคนที่ได้รับชัยชนะเมื่อเขาเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเชื่อในพระดํารัสของพระเจ้าอันนี้เป็นบทเรียนประการที่สามพี่น้องครับเรากลับมาดูชีวิตของเราผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าหลายหลายครั้งทีเดียวนะครับเรากลัว ความกลัวนั้นเป็นศัตรูกับความเชื่อครับความกลัวนั้นทำให้เราเชื่อน้อยลงเราจะต้องเอาชนะความกลัวด้วยความเชื่อเมื่อเราเชื่อมากขึ้นมากขึ้นก็หมายความว่าเรามีประสบการณ์มากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้น the leap of faith นะครับก็คือก้าวนะครับก้าวกระโดดหรือก้าวออกไปด้วยความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและทำให้เราทั้งหลาย จะมีประสบการณ์กับพระเจ้าส่วนตัวไม่ว่าเราจะทําในการรับใช้พระเจ้านะครับเราจะต้องเชื่อพระตดำรัดของพระองค์เราจต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่เราจะเข้าใจและแม่นยําแต่หลังจากที่เราแม่นยําและเข้าใจถูกต้องแล้วการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อการตัดสินใจต่างๆบนความเชื่อก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นมีประสบการณ์กับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดครับและเชื่อแน่ว่าชีวิตของเรานั้นจะมีชัยชนะในที่สุด อามน